เจริญพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟั ง, ฟงธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้อรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในวันนี้แตมาก็จ ะ, จะนําเรื่อง อ, อุบาสิกาผู้มีศรัทธามากะนะยมลองลองทายดูซิว่าจะเป็นจะเป็นใครยมนะยมอาจจะคิดว่า อ, อ, อุบาสิกาที่มีศรัทธามากในพระศาสนาเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเกินนางวิสาขาณนะแต่ว่าไม่ใช่ยมวันนี้แต่มาอยากจะนําเรื่องของอุบาสิกาชื่อสุข ปิยาโยมอุบาจิกาชื่อสุ ป, ปิยาเนี่ยศรัทธามากขนาดไหนโยมขนาดเอามีดเชือดเนื้อขาของนั่เองโยมต้มเป็นน้ำต้มเป็นน้ำซุปนะเอาน้ำซุปไปถวายพระที่ป่วยโอ้โหโยมฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นหรือ ว, ว่าหน้าอะไรดี จะยมลองฟังดูงนะอาตมาอยากจะให้จะยมฟังเนี่ยว่าเรื่องราวที่นางทำไมจิงกล้าทำขนาดนั้นนะยมลองฟังดูเรื่องกแ็แล้วกันอันนี้อยู่ในอยู่ในพระวินัยปิฎกโยมพระวินัยปิฎกมหาวัคคภาคที่สองะนะอยู่ในเพศสัตขันธกะเกี่ยวกับเรื่องยาแถวนี้มีเรื่องยาเท่านั้นเลยโยม ครั้งนั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนครราชครึกตามพระพุทธาภิรม์แล้วเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนคนรพารณสีเสด็จพระพุทธดําเนินผ่านระยะทางโดยลําดับถึงพระนคนรพารณสีแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะอิศิ ป, ปตนมรุกขายวันเขตพระนคนรพารณสีนั้น สมัยนั้นอุบาสกสุ ป, ปิยะและอุบาสิกาสุ ป, ปิยาสองคนอันนี้เป็นสามีภรรยากันนะโยมเป็นผู้เลื่อมใสเนะ่โยมเป็นทายกคือผู้ให้นะเป็นกปิยะการกคล้ายๆเป็นเป็นผู้ที่ช่วยดูแลเรื่องภายในวัดนะโยมนะกปิยะการกเนะี่ยในว่าผู้ทําสิ่ง ผู้ทำสิ่งที่ไม่ควรให้ควรนะเช่นเช่นพระท่านไม่กุดดินอย่างเงี้ยนะหรือว่าพระท่านตัดต้นไม้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ผิดวินัยนะทั้งสองคนนี้ก็จะช่วยขคนขวายในการกระทำเป็นต้นนะโยมเป็นต้นโยมเรียกว่ากลับไปยการกุกเนี่ยบำรุงพระสงฆ์อยู่ในพระคนครพระนสีวันหนึ่งอุบาลิกาสุปิยาไปสู่อารามเที่ยวเยี่ยมวิหาร และบริเวณตั้วทุกแห่งคงจะไปดูแลในวัดวาอารามนั่นแหละโยมคล้ายๆเป็นคนวัดนะแต่นางเป็นพระโสดาบันแล้วโยมนะเป็นพระโสดาบันเหมือนกับอนนาทาบินฑิกาเสษฐีเหมือนกับนางวิสาขานะนี้พอนางเที่ยวไปในวิหารทุกแห่งทุ ก, กุติแล้วนะแล้วเรียนถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดอาพาธภิกษุรูปใดโปรโด ให้ดิฉันทำนำอะไรมาถวายเจ้าค่ะเออถ้าพิกษตรูปไหนอาพาธป่วยไข้ไม่สบายเนี่ก็บอกโยมนะอยากได้อะไรโยมจะหามาให้คล้ายมาปรณาพระที่อาพาธโยมครั้งนั้นพิกษตรูปหนึ่งดื่มยาถ่ายและได้บอกอุบาสิกาสุปิยาว่าดูก่อนนัง่งหญิงอาตมาดื่มยาถ่ายอาตมาต้องการน้ําเนื้อต้ ม, มแสดงว่า ถ่ายท้องโยมถ่ายท้องนี่อาจจะไม่ค่อยมีแรงนะนะหมดแรงก็อยากจะฉันน้ำเนื้อต้มโยมอุบาชิกาสุปิยารับคำว่าดิฉันจักนำมาถวายเป็นพิเศษเจ้าค่ะแล้วไปเรือนสั่งชายคนรับใช้ว่าเจ้าจงไปหาซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายมา เ, ออเนื้อสัตว์ที่เขาขายตามท้องตลาดนะโยมนะก็ไปซื้อมานะ นี้ไม่ถือว่าผิดนะโยมนะซื้อเนื้อที่เขาขายตามปกตินี่เพราะว่าไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่านะเขาฆ่าของเขาเองเขาเอามาขายของเขาเองแล้วก็ไปหาซื้อลักษณะอย่างนี้ไม่ผิดชายคนรับใช้รับคาอุบาสิกาสุปยาว่าขอรับกับผมแล้วเที่ยวหาซื้อทั่วพระนครพราราสีก็มิได้พบเนื้อสัตว์ที่เขาขาย ใครๆอาจจะขายหมดหรือเปล่าโยมจึงได้กลับไปหาอุบาสิกาสุปิยาแล้วเรียนว่าเนื้อสัตว์ที่เขาขายไม่มีขอรับเพราะวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์อาจจะเป็นบรรพระหรือเปล่าโยมอุบาสิกาสุปิยาจึงได้มีความปริวิตกว่าเิกยสุอาพาตรูปนั้นแหลเมื่อไม่ได้ฉันน้ําเนื้อต้มอาพาธจักมากขึ้นหรือจักถึงมรณภาพ นางกาคิดไปไกลนะโยมนะเป็นห่วงเป็นใยพระมากเลยกลัวพระอาพาธจะเรียกว่าไข่สุดนะโยมเนาะการที่เรารับคำแล้วไม่จัดหาไปถวายนั้นเป็นการไม่สมควรเก่เราเลยอันนี้เป็นความคิดของพระอริยะบุคคลนะโยมมีศรัทธาเลื่อมใสไม่งอนเงินงค่อนแคลนแล้วโยมนะก่อนเรารับปากพระไว้แล้วเนี่ย แต่ทำไงได้โยมหาซื้อเนื้อก็ไม่มีแล้วจะทำอย่างไงล่ะตัวเองก็มานึกถึงว่าได้ประวรณาาระไว้แล้วเนี่ยแล้วหาให้ไม่ได้เนี่ยอืมก็เลยคิดไม่น่าจะดีนะอะไรอย่างเนี้ยทีนี้ดังนี้แล้วได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาโยมเห็นไหยคนมีศรัทธามากะนะอันนี้เรียกว่าอุป ป, า, ปาเรมีทานโยม ให้อวัยวะเป็นทานนะถ้าให้วัตถุเข้าของภายนอกนี่ก็เรียกว่าทานธรรมดาเป็นทานธรรมดาให้อวัยวะเรียกว่าอุปา ป, ปารมีทานทานขั้นสูงหน่อยถ้าปรมัภประมีก็เรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานเลยนะนางก็เอามีดมาเชือดเนื้อขาโยามทรงให้หญิงคนรับใช้สั่งว่าแม่สาวใช้ผฉะนะแม่จงต้มเนื้อนี้แล้ว นำไปถวายเพียกสูตรรูปที่อาพาธอยู่ในวิหารหลังโน้นอันหนึ่งผู้ใดถามถึงฉันจงบอกว่าป่วยแล้วเอาผ้าห่มพันขาเข้ า, ขาห้องนอนบนเตียงโยมเนาะไม่รู้นางไปเอาเนื้อขาตรงไหนคงจะเป็นเนื้อขาอ่อนโยมคงจะเลยหัวเขาขึ้นมานะครั้งนั้นอุบาศกสุ ป, ปิยะซึ่งเป็นสามีนะ ไเรือนแล้วถามหาหญิงคนรับใช้ว่าแม่สุปิยาไปไหนหญิงคนรับใช้ตอบว่าคุณนายนอนในห้องเจ้าค่ะจึงอุบาศกสุปิยะเข้าไปหาอุบาสิกาสุปิยาถึงในห้องนอนแล้วได้ถามว่าเธอนอนทําไมอุบาสิกานางก็บอกว่าดิฉันไม่สบายค่ะอุบาศกเธอป่วยเป็นอะไรที่นั้น อุบาสิกาสุปิยาจึงเล่าเรื่องนั้นให้อุบาสกสุปิยะทราบโยมเนาะตั้งแต่เรื่องไปภาวนาพระเอาไว้นะแล้วก็ไปหาซื้อเนื้อไม่ได้นางก็เลยคิดต่างๆนานาว่ากลัวว่ า, าพระป่วยจะไม่หายนะอาจจะมรณภาพได้ก็เลยเชื่อดเนื้อขาตัวเองให้สาวใช้อเอไปต้มโยมขณะนั้นอุบาสกสุปิยะร่าเรื่องดีใจว่าอัศจรรย์นักโยม ถ้าพวกเราคิดจะคิดย so ังไงถ้าภรรยาเรามีศรัทธามากเชื่อเนื้อขาถวายพระโยมจะคิดยังไงเนี่ยโอ้โหบาศก์นิกาเริงยินดีอนโมทนานะโยมที่ภรรยาของเขาทาได้อัศจรรย์นักชาวเราไม่เคยมีเลยชาวเราแม่สุภายนี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงถึงแก่สระเนื้อของตนเองเนี่เรียกว่าเลื่อมใสมากนะ สิ่งใดอื่นทําไมนางจักให้ไม่ได้เล่าขนาดเนื้อขายังให้ได้จะป่วยกล่าววายถึงทรัพย์สมบัติอื่นๆที่อยู่นอกตัวโยมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งอุบาสกสุ ป, ปิยะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพัฒนหารของข้าพระพุทธเจ้าในวันทุ่งนี้เพื่อเจริญหมหากุศลและปีติปราโมทแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุยสินีภาพครันบาศกสุปิยะทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทํำ prasakṣ ินกลับไป และสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอัมปรณีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้วให้คนไพร่กาบทูลพัฒการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพัตตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันราวาสศกแล้วถือบาทจีวรนสเสด็จเข้าไปสู่ิเวทของบาศกสุ ป, ปิยะ ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาจที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อุบาสกสุปิยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามอุบาสกสุปิยะผู้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้อหนึ่งว่า อุบาสิกาสุปิยาไปไหนนางป่วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญอุบาสิกาสุปิยามานางไม่สามารถพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นพวกเธอช่วยกันพยุงมาขณะนั้นอุบาสกสุปิยาได้พยุงอุบาสิกาสุปิยามาเฝ้าพร้อมกับนางได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า แผลใหญ่เพียงนั้นได้งอกเต็มมีผิวพันธุเรียบสนิทเกิดลมชาติทันทีโยมเนาะพอได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแผลของนางที่ถูกเชือดเนื้อออกไปนะก็มีเนื้องอกขึ้นมาเต็มแล้วก็ผิวเรียบสนิทเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับไม่มีรอยแผลอะไรทั้งสิ้นนะโยมนะเรียก ว, ว่าไม่มีรอยแผลเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อดำเดิมมั้งนั้นเถอะโยม นางก็เกิดคนลุกขนพรองนะดีอกดีใจตื่นเต้นในอนุภาพของพระพุทธเจ้าอยู่อุบาสกสุปิยะและอุบาสิกาสุปิยาจึงพากันร่าเริงยินดีว่าอัศจรรย์นักชาวเราไม่เคยมีเลยชาวเราพระตถาคตทรงมีพระฤทธิ์มากทรงมีพระอนุภาพมากเพราะพอเห็นพระองค์เท่านั้นแผลใหญ่โตยังงอกขึ้นเต็มทันที มีผิวพันธุ์เรียบสนิทเกิดลมชาติแล้วอังคาศภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาทริยโพชนิยารอันประเนตได้มือของตนจนพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทให้ห้ามพัดแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้อุบาสกสุปยะและอุบาสิกาสุปิยาเห็นแจ้งสมาทานอาถรราดเรืองด้วยธรรมีคถาแล้วทรงลูกจากที่ประทับเสด็จกลับโยมนะ อ, มอนุภาพของความเลื่อมใสโ ย, ยมสามารถทำได้นะโยมนะทีนี้พระองค์จะทรงบัญญัติศิกขาบทโยมตรงนี้อาจจะเป็นความรู้รอบตัวนะโยมเนาะอาจจะไม่เกี่ยวกับ เรื่องการให้ทานโยมในในที่ว่าเรื่องเรื่องพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติห้ามม่ให้พระฉันเนื้อมนุษย์โยมโยมลองฟังดูก็ะไรกันเป็นความรู้รอบตัวนะประชุมสงฆ์ทรงสอบถามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาโมลนั้นในเพราะเหตุเป็นแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปิยาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าได้ขอเนื้อต่ออุบาสิกาชื่อสุปิยาพระพุทธเจ้าคา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเขานำมาถวายแล้วหรือภิกษุเขานามาถวายแล้วพระพุทธเจ้าคา่าเธอฉันแล้วหรือภิกษุ ฉันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาหรือปล่าภิกษุมิได้พิจารณาพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคะบรุตฉะนนเธอจึงไม่ได้พิจารณาแล้วฉันเนื้อเล่าเธอฉันเนื้อมนุษย์แล้วการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสโยมที่จริงท่านตัดตาหนิเยอะนะโยมนะ ชนิดสํานวนท่านจะย่อมามากเลยถ้าสํานวนพิสดารพระองค์ก็จะทรงตัดว่าการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทําใช้ไม่ได้ไม่กิจไม่ใช่กิจของสมณะไม่ควรทําชนิดเธอจึงได้ฉันเนื้อมนุษย์ในลักษณะอย่างนี้นะการกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเป็นอย่างอื่นของ ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วลักษณะอย่างนี้นะคันแล้วได้ทรงทํามีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่เนีน่ยนะเขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้นายโยมอาตมาอยากให้ยโยมได้เห็นตัวอย่างของบุคคลที่เลื่อมใสจริงๆนะเหมือนกับอุบาสิกาชื่อสุปิยาเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอบัติทุลใจอบัตุลใจก็รองลงมาจากสังคดิเศสนะหนักกว่าปาจิตติโยมฉันเนื้อมนุษย์เนี่ยอันหนึ่งภิกษุยังไม่ได้พิจารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอบัตุทุกกฎต้องพิจารณาให้รู้ท่องแท้ก่อนนะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อฉันได้ไหมถ้าเป็นเนื้อที่ฉันไม่ได้นะถ้าเราไม่พิจารณาโยม ชันไปก็เป็นนบัติทุกกฎเลยถ้าไม่พิจารณาเนื้อก่อนเนี่ยอย่างเช่นเนื้อที่ฉันรับเป็นนบัติทุกกดก็มีเนื้อช้างโยมเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีนะเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเสือดาวเนี่ยก็อยู่แถวนี้ทั้งหมดแหละโยมแต่ว่าตรงนี้แตมาพูดให้โยมฟังโดยย่อนะ ก็คงจะจบโยมเรื่องของนางสุปิยาอุบาสิกาที่ถวายเนื้อขาเนี่ยตรงนี้ที่แตามานํามาก็อยากให้ญาติโยมได้เห็นตัวอย่างของโยมที่เขามีศรัทธาเห็นคุณค่าของการบริจาคฐานนะโยมนะสามารถที่จะให้เนื้อขาขเขาเองได้เนี่ยถือว่าทําในสิ่งที่ทําได้ยากเหลือเกินโยมญาติโยมฟังแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรโยมก็ติดตามรับฟัง ได้ใหม่ในวันต่อไปอาระวันนี้เรลาหมดตรงแล้วยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้านที่บรรยายต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร